ให้พิจารณาเด้อพิจารณาโดงว่าข้อมเขาของเขาฆ่านไนเลยดิฆ่ามิจังเข้าไปในปลาเนี่ยมันฆ่าน้ํานั่นกับกอทรงน้ํานีน่กั ข, อ, ขอเสือยังไงล่ะไปบ่ได้มันบืนไปบ่ได้จิตของเขากู้กันมาเกิดในโลกอยู่พ่อปานต้นข้อหมนุนเข้าไปในปลาน้ำทั้งหลักมีเส้นนี่สิก่อ แนวกาะยิตเกาะใจใ น, น, นอารมณ์อารมณ์แนวควมผูกควมพันแนวอารมณ์จะได้แก้เรื่องที่มันมาทั้งขาในทั้งหูทั้งจมูกทั้งลิ้นทั้งตายทั้งใจเี่แหละพอมันมากกระทบเนี่ยเขาสะอ่อนมันซีกันจิตสะอ่อนอารมณ์อารมณ์ดีกับสะอ่อนอารมณ์พอดีกับสะอ่อนก็อยากเอามั้งอยายืดสิ่งเหล่านี้แหละ มันเป็นแนวใหเข้าหนีออกจากอันนี้บ่อใดหนี้ออกจากป่าน้าําบ่อใดนี่มันบอกถือเป็นป่าแต่เป็นป่าหนามอันนี้วัดประสงขสารเนี่ยเป็นป่าน้ําให้มันครอบเจ้าของโอ้เข้าทีต่างๆมันมวนอันลังค้นกับแสบค่าแสบค้าแสบข้าไอเล็กอร่อย กังคนเกี่ข้ามมวนทา้งหูเดียวินเสียงเท่งมวนกาลังค้น่วมวนั้นเห็นรูปงามผจบจนงามมวนเป็นมากลกมวลเรามากละกันมวนทั้งปากกมากกวนทั้งหูกับมากมวนทั้งตากมมวนทางสัมผัสกรบมากติดข่าอยู่หันละนี้แต่นี้ว่นให่ยอนอันเนวมุนนั่นหละนเนบ่มาก ค้าอีเด้นะนี่แม่สร้างเนี่ยค่าน่ใจจะาของบ่มากเห็นในยื่นเสียงอย่งเงนเสียงบดีจะฟของว่าบ่มากเลยเครียดเยอหันลนเนี่ยนั่นจะอเป็นค่าได้นะค่าขท้ากันอันมันมีจังบ่วงค่ามันบ่วงค่าผูกคอผูกคอบ่วงผูกคอ มันท่วมโผล่ท่วงเพียรเลยมันบ่วงสัาบวงถูกแคนสูกขาหนึ่ง้ักมันไม่เชิงจันหละ่ะในสีสุดตรท่าอะร น, นี้เข้าไปไส่บ ม, ม่มันจะครอบอันนี้หละครอบค้าบ่วงอันนี้แหละเราบ่วงต่างๆเรามีเหมืนเมันเข้าโบบระว่างตัวเพระกูจะเจ้าคนไทยละว่างอันที่ท่วมคนบอกว่าเกอทั้งหลายจง ยาประมาทเธอสิ่อนสิบลีมิท่านเนี่ยข้อควคือความว่โอ้เจ้ายางใส่จ้าจยามือนเด้อเจ้าขับรถดีๆเียวจะไปตามเขาเด้อเนี่ยจังเป็นประมากไปเดี่สัน่นข้คืดนะข้มอมีเพื่อนให้ยาประมาทในจิตจ้อของจิตของตนเองยาประมาทในซ่มเขาเบิ้งเลื่อนเออสั่นซึ่งจำเลย้อมหมา ย, ามนนะยของเพื่อนจิตของเฮาเนี่ยมันประมาท กันเบาถึ่งว่าห้อไปมื่นกันแท่หน้าเนี่โดนโดนเ๋ยไปเดีมื่นเทธอหนึง่งแต่ว่าชิสนี่มันมืนมันพลาไปสู่อารมณ์ต่างๆไปของไปค่าอยู่ร่มต่างๆนั้นหลายจะละมูนหลายดูของดูค่าดูค่าหลายคนในไฟเดียวย่าละมันระว่างันมีเพราะว่าอันนี้ละเป็นแค่วมันไปก่อเห่าไปดึงเห่าให้มันตกอยู่างนี้เนี่ยเรว่าซาสงสารมันนี้ นีแล้ว เ, เทียบอยู่ในปาเทียบอยู่ในมนก็ไปในปลาน้นาเนี่ยแล้วมันก็หันก็หนีเข้าไปในย่ า, ามบืนไปไดกับบืนไปได้ในที่สุดเมื่อหมดแท้งเขาลมอึบตรงเนี่ยลงอึดลงแป่ว่าต า, ายแต้าหน้นนาที่ลู ก, ก้องแกงนห็นว่าอีกเรี่อีกเรี่ยนี่นัน่นแปลว่าไปได้โกงใไม่ตัดไหม้มาแล้วนี่ไปมลอีกนี่มลอีกมลอีกเราบอออกแล้วนี่น้ามันไหลเลย จะเข้ามดแค่อิ่งมแอบลงไปอีกแต่พอตายเออที่ลนะพบแล้วพบแล้วพบแล้วที่ลนะ่ะออกก็ได้ออกจากป่าน้ําม่ได้เ้ารงระวังเนี่ยพขาคือที่เจ้าบอกอยู่วิธีนึงตอบดีๆต้อมซินต้อมเสื้อต่อมมือต้อมเทาดีๆยาเดออกไปย่ายื่นออกไปไปรับอารมณ์ต่างๆ แต่เม่เขายนในปากต่อ ม, มือต่อปีนไว้ยาเดยออกไปใส่ไปมันกิคลองน้ำเรื่ อ, องอะไรกันอันนี้นะค้าว่าไม่ประมาทก็เพื่อรักษาใจของต้องอย่าให้มันเพ่นพานออกไปให้มันดูจักว่ัดไปออกไปแล้วแม้เขาขเคาะเคาะขูกเคาลดละก็แล้วกันเนี่ยเยอะประมาทแต่เรื่องอันนี้ปีนี้ประมาทของปีใหม่นี่แหละ ข่อปีใหม่นี่คำว่าบ ป, ประมาทหมายข้อม บ, บ ป, ประมาติจิตนะให้มีสติมีที่ควมหูมือจะของยืดเยื่อโมเมนว่าประมาทเขาแค่ลืมมือคแค่นะั้นโมเมนาเท่านั้นเนาะให้าจิตใจก็บะให้มันลื่นถลยออกไปาําควมรักควมกังยังละเนี่ยหู ม, มือจะของให้ซ่อมจะของหลวงครูว่าควมกันจันนึงได้ ตั้งสติกำหนดจิตง่ายๆเอาอันนี้แหละที่นี่นะ